ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก44การค้าขาย5อย่างที่อุบาสกไม่ควรทําดูก่อนภิกษุทั้งหลายการค้าขาย5อย่างเหล่านี้อันอุบาสกไม่ควรทําคือ 1. สัตวณิชชาการค้าขายสัตรา 2. สัตตะวานิชชา การค้าขายสิ่งมีชีวิตข้อนี้อัธกถาอธิบายว่าหมายถึงการค้ามนุษย์ 3. มังสะวณิชาการค้าขายเนื้อสัตว์อัธกถาว่าหมายถึงเลี้ยงสัตว์ประเภทใช้ค่ากินเนื้อไว้ขาย 4. มัชชวณิชาการค้าขายน้ำเมาห้าวิสาวณิชา การค้าขายยาพิษดูก่อนภิกษุทั้งหลายการค้าห้ายอย่างเหล่านี้แหละอันอุบาสกไม่ควรทำสี่สิบห้าคนพูดมากมีโทษห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ในบุคคลผู้พูดมากคือหนึ่งยอมพูดปด 2. ย่อมพูดส่อเสียดคือยุให้แตกร้าวกัน 3. ย่อมพูดคำหยาบ 4. ย่อมพูดเพ้อเจ้อร์ 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้แลในบุคคลผู้พูดมากสำหรับวินิบาต ในที่นี้แปลว่าความล่มจมตกตำ่ำ46คนพูดด้วยปัญญามีอานิสงห์5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงห์5ประการเหล่านี้ในบุคคลผู้พูดด้วยปัญญาคือ 1. ไม่พูดบด 2. ไม่พูดสอเสียด 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. ไม่พูดเพอเจ้อร์าสิ้นชีวิตแล้วยอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสง์ห้าประการเหล่านี้แลในบุคคลผู้พูดด้วยปัญญาข้อความจากปัญจาการนิบาตอังคุตระนิกายส7ิเจโทษของความไม่อดทนห้าประการ ดูกนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการของความไม่อดทนเหล่านี้คือ 1. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนมาก 2. มากไปด้วยเวร 3. มากไปด้วยโทษ 4. หลงถึงแก่ความตาย 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก ดูกนภิษุททั้งหลายโทษของความไม่อดทน5าประการเหล่านี้แหละข้อความจากปัญจาการนิบาตอังคุตระนิกาย48่าอ น, นิสงของความอดทนหาประการดูก่อิภุทษุทั้งหลายอ น, นิสงของความอดทนหาประการเหล่านี้คือหนึ่งเป็นที่รัก เป็นที่พอใจของคนมาก 2. ไม่มากไปด้วยเวร 3. ไม่มากไปด้วยโทษ 4. ไม่หลงถึงแก่ความตาย 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ของความอดทนห้าประการเหล่านี้แหลข้อความจากปัญจกานิบาตอังคุตระนิกาย 49อานิสง์ในการฟังธรรม5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ในการฟังธรรม5ประการเหล่านี้คือ 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2. สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมชัดเจนขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสดได้ 4. ทําความเห็นให้ตรงได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสงฆ์ในการฟังทรรม5ประการเหล่านี้แหลข้อความจากปัญจาการนิบาตอังคุตระนิกาย 50. อาอ น, นิสงฆ์ของข้าวยาคู5้าประการดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อา น, นิสง์ของข้าวยาคูห้ประการเหล่านี้คือ 1. บรรเทาความหิว 2. บรรเทาความกระหาย 3. ลมเดินสะดวก 4. ชํชำระลำไส้ทําทำอาหารที่ยังไม่ย่อยที่เหลือให้สุกดูก่อนอิกษุทั้งหลายอา น, นิสง์ของข้าวยาคูห้าประการเหล่านี้แล ข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย 51. โทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟันหประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟันหประการเหล่านี้คือ 1. สายตาไม่ดี 2. ปากมีกลิ่นเหม็น 3. ประสาทรับรสไม่หมดจด 4. ดีและเสมหะอรึงรัฐอาหาร 5. รับประทานอาหารไม่มีรสข้อนี้แปลตามตัวว่าอาหารของผู้นั้นไม่ทำความพอใจให้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟันห้าประการเหล่านี้แลข้อความจากปัญจากานิบาตอังคุตระนิกาย ห้าิสองานิสงในการเคี้ยวไม้สีฟันหประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอา น, นิสงในการเคี้ยวไม้สีฟันหประการเหล่านี้คือ 1. ่สายตาดี 2. ปากไม่มีกลิ่นเหม็น 3. ประสาทรับรสหมดจด 4. ดีและเสมหะไม่รึงรัดอาหาร 5. รับประทานอาหารมีรส ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสง์ในการเคี้ยวไม้สีปันหประการเหล่านี้แล53โทษในการกล่าวธรรมหรือธรรมะด้วยเสียงขับอันยาวของภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ของภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาวคือหนึ่ง ตนเองก็ติดในเสียงนั้น 2. ผู้อื่นก็ติดในเสียงนั้น 3. คฤหบดีทั้งหลายจะยกโทษว่าสมณะสักยบุตรเหล่านี้ขับร้องเหมือนพวกตน 4. เมื่อติดใจการทอดเสียงสมาธิก็ทำลาย 5. ประชุมชนหรือภิกษุในภายหลังจะถือเป็นแบบอย่าง ดูกนภิกสุทั้งหลายโทษของภิกสุผู้กล่าวทรรมด้วยเสียงขับอันยาวห้าประการเหล่านี้แลข้อความจากบรรจกนิบาตอังคุตระนิกาย54โทษของผู้หลับโดยไม่มีสติสัมปชัญญะดูก่อนภิกสุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ของผู้หลงลืมสติ ผู้ไม่มีสัมปัชัญญะก้าวลงสู่ความหลับคือหนึ่งหลับเป็นทุกข์ 2. ตื่นเป็นทุกข์ 3. ปมันร้าย 4. เทวดาไม่รักษา 5. น้ำอสุจิเคลื่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของผู้หลงลืมสติผู้ไม่มีสัมปัชัญญะก้าวลงสู่ความหลับหประการเหล่านี้แล ห้าบห้าอนิสง์ของผู้หลับโดยมีสติสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงฆ์ห้าประการเหล่านี้ของผู้ตั้งสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับคือหนึ่งหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสไม่ฝันร้ายสเทวดารักษาหน้ำอสุจิไม่เคลื่อน ดูกนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสงค์ของผู้ตั้งสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับห้าประการเหล่านี้แลห้สิบหอกุศล ร, ราศีหรือกองแห่งอกุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกล่าวว่าอากุศล ร, ราศีหรือกองแห่งอกุศลเมื่อกล่าวให้ชอบ ก็ควรกล่าวถึงนิวรณ์ห้าอย่างนิวรณ์ห้าอย่างล้วนเป็นอากุศล ร, ราศีคือ 1. กามฉันหรือกามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดปองร้าย 3. ถทีนมิทะความหดหูง่วงงุน 4. อุทธะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจ หาวิจิกิจชา้าความลังเลสงสัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกล่าวว่าอากุศลราสีหรือกองแห่งอากูศลเมื่อกล่าวให้ชอบก็ควรกล่าวถึงนิวรห้าอย่างนิวรห้าอย่างล้วนเป็นอากุศลราสีห้าสิบเจ็ดผู้บวชเมื่อแก่ที่มีคุณธรรมหาได้ยาก ดูกนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแก่ที่ประกอบด้วยธรรม5อย่างหาได้ยากคือ 1. ผู้บวชเมื่อแก่ที่ละเอียดอ่อนหาได้ยาก 2. ผู้บวชเมื่อแก่สมบูรณ์ด้วยอากัศกิริยาหาได้ยาก 3. ผู้บวชเมื่อแก่เป็นผู้คงแก่เรียนหาได้ยากในที่นี้หมายเหตุไว้ว่า พระหุสุดโตสดับตรับฟังมาก 4. ผู้บวชเมื่อแก่เป็นพระธรรมะกถึกคือผู้แสดงธรรมหาได้ยาก 5. ผู้บวชเมื่อแก่เป็นผู้ทรงพระวินัยหาได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแก่ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลหาได้ยาก ห้าสิบผู้บวชเมื่อแก่ที่มีคุณธรรมหาได้ยากอีกประเภทหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแก่ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างหาได้ยากคือหนึ่งผู้บวชเมื่อแก่ที่ว่าง่ายหาได้ยาก 2. ผู้บวชเมื่อแก่ที่รับโอวาท ด, ด้วยดีหาได้ยากสาม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 59สสัมปทาห้าความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์หดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมปทาห้าเหล่านี้คือหนึ่งศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเชื่อหมายเหตุอันประกอบด้วยปัญญา 2. สศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลสา สุตตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการสดับตรับฟัง 4. จาระสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ 5. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมปทาห้าเหล่านี้แลหกสิบ คนที่เกิดมาเพื่อประโยชน์ความสุขแก่คนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนดีเมื่อเกิดมาในสกุลยยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือ 1. แก่มารดาบิดา 2. แก่บุตรภริยา 3. แก่าธาตกรรมกรและชาวเมืองสี่ แกมิตรและอมาร์ต 5. แก่สมณะและพรามเสมือนหนึ่งเมฆฝนใหญ่เมื่อทำให้ข้าวกล้าสมบูรณ์ก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก 61. สิอสิ่งที่ขอร้องหรือปรารถนาให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะห้าอย่างเหล่านี้อันสมณะหรือพรามเทวดามารรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือหนึ่งขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลย 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บไข้เลย 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลยสี่ ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าได้สิ้นไปเลยหขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาอย่าได้พินาศไปเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่เจ็บไข้ตายสิ้นไปพินาศไปแล้ว ย่อมไม่พิจารณาอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีสิ่งซึ่งมีความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไปความพินาศไปเป็นธรรมดาอันแก่เจ็บไข้ตายสิ้นไปพินาศไปแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่มีการมาการไปการตายการเกิดทั้งหมดก็มีสิ่งซึ่งมีความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไป ความพินาศไปเป็นธรรมดาอันแก่เจ็บไข้าตายสิ้นไปพินาศไปเช่นเดียวกันก็ถ้าเมื่อซึ่งสิ่งมีความแก่เป็นต้นมีความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่แล้วพินาศไปแล้วเราจะพึงเศร้าโศกลำบากใจบ่นเพ้อตีอกคร่ำครวนหลงไหลแม้อาหารของเราก็จะไม่ทำความพอใจให้คือรับประทานข้าวไม่ลง แม้ความเป็นผู้มีผิวพันุ์ซามก็จะก้าวลงในกายแม้การงานก็จะไม่ดำเนินไปแม้ศัตรูก็จะดีใจแม้มิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่เป็นต้นพินาศไปแล้วเขาก็จะเศร้าโศกลำบากใจบนเพอ้อตีอกคร่ำครวญหลงไหล อุทุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เรากล่าวว่าถูกลูกสอนคือความโศกอันมีพิษแทงเอาแล้วย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอริยสาวกในที่นี้หมายเพียงผู้เป็นสาวกหรือสิทธิของพระอริยะเจ้าหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้นับถือศาสนาของพระอริย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่แล้วเป็นต้นพินาศไปแล้วย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาอันความแก่เป็นต้นพินาศไปแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่มีการมาการไป การตายการเกิดทั้งหมดก็มีสิ่งซึ่งมีความแก่ความพินาศไปเป็นธรรมดาอันแก่เจ็บไข้ตายสิ้นไปพินาศไปเช่นเดียวกันก็ถ้าเมื่อสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแล้วแก่แล้วพินาศไปแล้วเราจะพึงเศร้าโศกลำบากใจบนเพอ้อตีอกคร่มครวญหลงไหลแม้อาหารของเรา ก็จะไม่ทำความพอใจให้แม้ความเป็นผู้มีผิวพันซามก็จะก้าวลงในกายแม้การงานก็จะไม่ดำเนินไปแม้ศัตรูก็จะดีใจแม้มิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่แล้วพินาศไปแล้วเขาก็จะไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่บ่นเพอ้อ ไม่ตี อ, อกไม่คร่ำครวญไม่หลงไหลอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วนี้เรากล่าวว่าถอนเสด็ได้ซึ่งลูกศอนคือความโศกอันมีพิษที่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับถูกแทงแล้วทําตนเองให้เดือดร้อนส่วนอริยาสาวกเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเป็นผู้ปราศจากลูกศรย่อมทําตัวเองให้สงบระงับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าอย่างเหล่านี้แลอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึ่งได้จากข้อส4สจนถึงข้อห1เอ็ดเป็นข้อความจากปัญจาการนิบาตอังคุตระนิกาย